ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องทำไมไม่ปล่อยวางโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่28มีนาคม2547นณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ ก็จะเรียนทาพวกเราทุกคนพอดีเมื่อสามสี่วันที่แล้วมีคนไปเยี่ยมอาตมาเสร็จแล้วก็ได้คุยกันคุยไปคุยมานะเขาก็พูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อาตมาก็เลยบอกว่าเออบางอย่างมันก็ต้องหัดปล่อยวางบ้า ง, งนะเขาก็เลยถามว่า ไอ้ปล่อยวางเนี่ยมันปล่อยอยังไงมันปล่อยอยังไงมันถึงจะวางยังไงจริงๆเวลาพูดคาว่าปล่อยวาง ม, มันก็พูดง่ายอะนะใครๆก็พูดแต่ว่าพอเวลามันเจอสถานการณ์จริงๆเนี่ยโอ้มันวางไม่ง่ายเลยนะวันนั้นอาตมาก็เลยพูดไปก็จาไม่ค่อยได้หรอกว่าพูดอะไรไปให้เขาบังว่าเออมันควรจะวางอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่า วันนี้ก็คิดว่าเออมานั่งนึกๆดูได้สักห้าหข้อที่คิดว่ามันก็น่าจะช่วยในการที่จะทําให้เราเนี่ยปล่อยวางได้ดีขึ้นก่อนอื่นต้องต้องต้องเข้าใจก่อนนะคำว่าปล่อยวางเนี่ยนะปล่อยวางนี่มันมันไม่ใช่ว่าอะไรอะ่ะไม่ใช่ว่าไม่สนใจใยดีใครจะ อะไรกระช่างอะไรเงี้ย ม, มันก็ไม่ใช่หรอกนะแต่จริงๆเนี่ยคนเรามันต้องถ้าคนเราเนี่ยมันเดือดเนื้อร้อนใจมันมีปัญหากัดกุ้มมันยังแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกแล้วก็ทุกร้อนคือเราก็มักจะบอกว่าอ้าวบางทีก็อย่าไปยึดอันนั่นนักไอ้นี่นักก็หัดปล่อยวางซะบ้างนะซึ่งจริงๆนะมันก็พูดง่ายแต่อีคนทำจริงมันทายาก นะซึ่งที่จริงที่ทายากเนี่ยอตมาก็อยากจะบอกว่าเออก็ไม่ใช่อยู่ดีๆคนจะทำได้นาะภาษาพูดพูดได้แต่พอเวลาทำจริงๆเนี่ยมันทำใจไม่ได้อะวางไม่ได้อะนะโดยเฉพาะเหตุที่หนึ่งนะเท่าที่อตมาคิดคิดมาเนี่ยคือเหตุที่หนึ่งก็คือคนเราเนี่ยมันไม่เห็นทุกข์ของตัวเองอะ่ะ จริงๆเนี่ยไอตอนที่เรากัดกุ้มหรือเรากางังวลหรือเรามีความเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยจริงๆถ้าจะว่าไปโดยธรรมดาโอยใครจะไม่รู้อ่ะใช่ไหมคุณ <c oughs> ว่ารู้ไหมว่าว่ามันมันโหมันไม่สบายแล้วมันอะไรนะบางทีปวดหัวตัวร้อนเจ็บอกเจ็บใจคุณว่าจริงๆเนี่ยเขาจะรู้สึกไหมตัวเองเนี่ยเขาน่าจะรู้สึกไหมรู้สึกใช่ไหม แต่ในขณะที่เขารู้สึกอย่างนั้นเนี่เขาก็ยังไม่ไม่เห็นทุกข์ของตัวเองนะส่วนใหญ่เนี่ยอยากเห็นสมมติว่ากู้กรณีหรือว่าคนอื่นหรือสิ่งอื่นยิ่งยิ่งโดยเฉพาะกับคนเราอยากจะเห็นคนอื่นเนี่ยทุกข์มากกว่าหรือเห็นทุกข์ของคนอื่นเนี่ยมากกว่าโดยที่ ทุกของตัวเราเองเนี่ยเราเราจะไม่ค่อยมองเห็นสักเท่าไหร่เพราะนั้นในที่สุดมันก็เลยกลายเป็นไม่เห็นทุกของตัวเองยิ่งยิ่งบางคนยิ่งอะไรนะเขาบอกว่ายิ่งไม่ชอบใจยิ่งอึดอัดขัดเคืองมากเนี่ยก็ยิ่งจะอะไรยิ่งจะเล่นงานคนอื่นเขาใหญ่เลย ท, ทั้งๆั้ที่ตัวเองเนี่ยในขณะที่บางทีเนี่ยเราโอ้โหเจ็บอกเจ็บใจหรืออะไรต่ออะไรนะ คนนั้นก็จะจริงเลยอย่างกับไฟเผาเลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเปรียบเปรียบเหมือนกับคนที่ไฟไหม้ศีรษะของตัวเองเนี่ยไหม้หัวของตัวเองแต่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเลยนะว่าเนี่ยไฟไหม้หัวตัวเองแล้วเพราะว่ามันก็มองไม่ค่อยเห็นนะนะมองไม่เห็นหัวตัวเองนอกใกต้องไปส่องกระจกอันนั้นก็เป็นคำเปรียบที่ท่านบอกว่าเออไฟไหม้หัวตัวเราเองแล้ว เออมันน่าจะร้อนอ่ะมันน่าจะรู้ว่าไฟลุกท่วมหัวแล้วนะมันน่าจะรีบอะไรอะ่ะรีบดับไฟใชรีบแก้รีบทําให้ตัวเองเนี่ยอย่าทุกข์ก่อนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะโมหะไงโมหะนี่มันแปลว่าความหลงผิดความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพอเราเราทุกข์ยิ่งมีคู่กรณีเนี่ยสมมติว่าไปทะเลาะ ก, กับใครเขา หรือไม่ชอบขี้หน้าใครเขาเรารู้สึกทุกของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะหายได้ก็คือต้องจัดการคนอื่นต้องจัดการคู่กรณีให้ได้นะหรือบางทีเราอาจจะยังไม่ทันไปจัดการก็ได้นะแต่ปรากฏว่าคู่กรณีนี่เป็นไงเกิดเดินลงบันไดตีลังกาหัวแตกสมมตินะอะแหมเรา โอ้โหดีใจเลยนะรู้สึกรู้สึกมีความสุขขึ้นมาทันทีรู้สึกว่าตัวเองพ้นทุกข์เพราะอะไรน่ะเนี่ยเพราะความที่เรียกว่านี่แหละมันมอง you, ไม่เห็นทุกข์ของตัวเองจริงๆเนี่ยกุ้มอยู่ตั้งนานทุกข์อยู่ตั้งนานเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ตั้งนานแต่มองไม่เห็นใช่ geb? แล้วก็อยากเห็นคนอื่นเขาทุกข์อ่ะคือถ้าถ้าอย่างเงี้ยแล้วตัวเองก็จะรู้สึกว่ามีความสุข ถ้าเป็นหนังจีนก็คงต้องแก้แค้นเป็นหนังจีนนั่นก็คงต้องแก้แค้นถ้าได้แก้แค้นเมื่อไหร่ก็สําเร็จก็มีความสุขโอ้โหทั้งที่กว่าจะแก้แค้นกว่าจะอะไรได้นะโอ้โหฆ่าแกงกันอะไรนะทรมานลําบากยากแค้นอะไรต้องเยอะต้องแยะเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะว่าว่าทุกข์ของตัวเองเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแต่มองไม่เห็นวันถ้าตาบใดเนี่ย ใครมองไม่เห็นทุกข์ของตัวเองหรือพูดง่ า, งงายๆไม่เห็นทุกข์อริยสัตว์คนนั้นไม่มีไม่มีวันเนี่ยที่ที่อยากจะมาแก้ที่จิตใจหรือว่าแก้ที่ตัวของเราเองเนี่ยก่อนคือจะจัดการคนอื่นก่อนเสมอเพราะคิดว่าการจัดการคนอื่นได้นั่นคือความสุขของเราเนี่ยเป็นความหลงผิดเป็นโมหะอย่างมากเลยนะหรือจะพูดง่ า, งงายๆก็คือมิจฉาทิฏฐิ คือยังเป็นความคิดที่ที่ผิดทางซึ่งคิดอย่างนั้นจะไม่มีวันพ้นทุกข์แล้วก็จะทุกข์อ ย, งง อ, อ, กอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะฉนั้นเมื่อทุกข์อยู่อย่างเงี้ยเขาจะปล่อยวางได้ไหมปล่อยวางไม่ได้เพราะเพราะเขาไม่เห็นทุกข์ของตัวเองเนี่ยเมื่อไม่เห็นทุกข์ของตัวเองเนี่ยเขาก็อยากให้คนอื่นทุกข์อ่ะเพราะเขาคิดว่าถ้าเราเห็นคนอื่นทุกข์ได้เราถึงจะเป็นสุข ฮ้นตาบใดเนี่ยถ้าถ้าคู่กรณีหรือว่าคนที่เราเกียรติชังเนี่ยเขาไม่อะไรอ่ะบาดเจ็บหรือเขาไม่ล้มตายหรือเขาไม่เจ็บป่วยอะไรนะเราก็มีไม่สุขสักทีแต่ถ้าโอ้โหลูกข่าวหรือว่าลงมือเองทําให้เขาเจ็บได้ทําให้เขาไอ้นั่นได้เราก็ถึงจะเป็นสุขอันนี้นี่แบบคนวิ ช, ชาทิฏฐิก็จะโมหะจะหลงอยู่เงี้ยเราก็จะ อะไรอ่ะทำกันไปทำกันมาไม่มีวันจบเนี่ยสภาพบ้านเมืองทุกวันเนี่ยดูสิยิ่งในพวกอะไรเน่ยอิรักอิหร่านพวกอะไรอ่ะทางแถบนั่นโอโ้โหกี่กี่ปีมาแล้วล่ะเนี่ยฆ่ากันไปฆ่ากันมาไม่มีวันสิ้นสุดเลยเดี๋ยวก็ไปวางระเบิดกันเดี๋ยวก็ไอ้นูไอ้นีไนไน่ไม่มีวันจบเลยทั้ทั้งที่พอตูมไปไอ้ทางรุ้นก็ตายใช่ไหม อไอ้ทองนุงแค้งตูมกลับมาไอ้นี่ก็ตายมีแต่คนตายแล้วมีแต่ศูญเสียแต่ยังมองไม่เห็นอีกยังมองไม่เห็นทุกข์ของตัวเองนะก็ยังคิดต้องจัดการคนอื่นให้ได้เนี่ยถ้าตาบใดใครก็ตามที่ยังไม่เห็นทุกข์อริยสัตว์ได้คือเขาเห็นทุกข์แต่ไอ้ธรรมดาสามัญทั่วไปโดนมีดบาดก็เจ็บเออโดนคนตบหน้าก็เจ็บ โดนคนด่าก็เจ็บใจเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือคืออันที่มันเป็นเรื่องโลโลๆธรรมดามันเป็นทุกข์ที่อย่าว่าแต่คนเลยสัตว์โลกทั้งหลายอ่ะปลาปูกุ้งหอยอะไรต่างๆมันก็เจ็บเหมือนกันนะแล้วมันก็คิดเหมือนกันอย่างเงี้ยแหละเพราะสัตว์ก็มีจิตวิญญาณอย่างเช่นเอาบางทีเอาเอ า, เอาไก่ไปฆ่าเอาเป็ดไปฆ่าเอาวัวไปฆ่า มันก็คิดเหมือนกันนะมีเหรือมันจะชอบใจนะมีเขาทำโฆษณาไอ้อะไรนะสเต็กเนื้อวัวหรืออะไรเขาวาดเป็นการ์ตูนนะวัวมายิ้มให้กินโอ้มีที่ไหนะมันไม่มีหรอกมันจริงๆแล้วโอ้มันกลัวตายอย่าตายไปอย่างเงี้ยทุกอย่างเงี้ยสัตว์โลกทั้งหลายมันก็มันก็รู้ทั้งนั้นแหละแต่ไม่รู้ทุกอาริยสัตว์ คือไม่รู้ทุกตามความเป็นจริงของชีวิตจริงๆว่าที่ทุกเนี่ยคือตัวเราเองนี่แหละที่ทําให้มันทุกเราคิดให้มันทุกมันก็ทุกเราแค้นก็ทุกเราโกรธเราเกลียดชังหรือเราเป็นโลภหลงอะไรเราก็ทุกแต่มันมองไม่เห็นอันนี้ของตัวเองนะหรือบางทีเนี่ยโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติข้าวของอยากกินนนนนอยากอยู่สุขสบายแบบโลกโลกอ่ะ นะเอารัดเอาเปียบบ้างค้าขายก็อะไรอะ่ะเอากำไรมากมากนะเขาคิดว่าเป็นสุข ท, ท, ทั้งๆที่จริงๆด้านละมันเป็นทุกข์จะแย่อยู่แล้วแต่เขาไม่รู้ไงธรรมาถึงบอกทุกอริยสัจเนี่ยมันเห็นกันยากกว่าพุทธเจ้าจะตัดสรู้อริยรสัจสี่ได้ นะฮทุกอริยศาสตร์เป็นทุกตัวแรกเนี่ยโอ้โหต้องระดับ พ, พระพุทธเจ้าเลยถึงได้ตัดสลูมาได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ไม่ใช่ของง่ายแล้วถ้าตาบใดเนี่ยคนไม่เห็นทุกขอริยศาสตร์อันนี้คนนั่นก็มองออกนอกตัวเมื่อมองออกนอกตัวเนี่ยก็วิธีทําให้ตัวเองมีความสุขก็คิดแบบโลกโลกก็คือนั่นแหละต้องให้ต้องให้คนอื่นเจ็บปวดหรือ ให้ได้สมใจตัวเราเองนะตามที่เราต้องการตามที่เราปรารถนาแล้วเราถึงจะเป็นสุขนะเมื่อเป็นอย่างนี้คนนั้นจะไม่สามารถปล่อยวางได้เลยเขาจะวางได้ต่อเมื่อสมใจเขาแล้วต้องทำอะไรให้มันสมใจถ้านึกอยากจะกินอะไรก็ต้องกินให้สมใจแล้วถึงจะมีความสุขนึกอยากจะด่าใครก็ ต้องได้ดาต้องให้ได้ดาดาต่อหน้าหรือดารับหลังแล้วแต่ต้องให้ดาสมใจพอได้ด่าสมใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสุขนโมหะหลงอย่างมากเลยจริงๆไอตอนที่โอ้โหโกรธเล่าร้อนเกลียดชังแล้วก็ดาดาด า, ด า, ดาโอ้โหนะทุกข์จะตายอยู่แล้วตอนนั้นนะแต่ก็ไม่เห็นทุกตัวนี้ของตัวเองอดาไปเสร็จแล้วสมใจใช่ไหมสมใจแล้วเออค่อยรู้สึก เป็นสุขเนี่ยโมหะอย่างมากเป็นความหลงผิดอย่างมากเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจะมีจริตนิสัยที่อะไรอะ่ะไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะสมใจถ้าเป็นคนขี้โลภนะโลภในเรื่องการหารการกินก็ต้องกินให้มันอิ่มน้ําสําราญสะใจเลยแล้วถึงจะรู้สึกว่าเป็นสุข แต่ถ้าเกิดมีกินแค่พอดีหรือแค่พอประมาณทุกไม่เป็นสุขอหล ะ, ะเขาจะรู้สึกทุกทันทีเลยแต่ก็รู้สึกทุกไปแบบภาษาคนโลกโลกนะเพราะมันไม่สมใจก็เลยทุกแล้ววิธีแก้ทุกก็คือต้องเอากรอบโกลยเข้ามาอีกเพื่อที่ให้สมใจแล้วก็จะสุขได้ก็อย่างนั้นแล้วถ้าคนเราเนี่ยจะพ้นทุกเพราะวิธีแบบโลกโลกแบบนี้ มันถึงฆ่ากันตายถึงแย่งกันถึงเอารัดเอาเปรียบกันไม่มีที่สิ้นสุดก็จะเป็นอย่างเนี้ยเหมือนกันต่อให้เป็นนักปฏิบัติธรรมที่บัญทีศึกษาเรียนรู้แล้วก็เข้ามาฝึกฝนถ้าไม่เรียนรู้ทุกที่แท้จริงอันนี้แล้วไม่มีวันปล่อยวางไดม้มันปล่อยวางไม่ลงอะ่พะพอบอกแล้วว่าจะปล่อยวางลงต่อเมื่อสมใจสมใจค่า ถ้าได้รักก็ต้องได้รักสมใจต้องได้รักนั้นมาสมใจแล้วถึงจะไม่ถูกถ้าถ้าเป็นเกลียดก็ต้องได้อะไรล้างแค้นแก้แค้นสมใจแล้วถึงจะปล่อยวางได้นะเพราะนั้นอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งเลยอันนี้อธรมายกเป็นตัวที่หนึ่งส่วนตัวที่สองนะที่มันยังวางไม่ได้เนี่ย เพราะมันยังทุกข์ไม่มากพอมันยังทุกข์น้อยไปมื่ถึงมองไม่เห็นไงที่ไม่เห็นทุกข์ของตัวเองเนี่ยอ๋อยังเบาไปเมื่อวิบากรรมยังไม่มากพอคนเราเนี่ยจนกระทั่งมามันหนักขึ้นมันหนักขึ้นนะทุกข์จนกระทั่งหนักขึ้นหนักขึ้นหนักจนถึงถึงจุดของคนไหนก็คนนั้นแหละหนักจนเรียกว่าคราวนี้เนี่ย ไม่ยอมรับก็ไม่ได้แล้วว่าโอ้โหมันทุกข์จริงๆอย่างเช่นนะโกรธเกลียดใครเข้างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆโกรธเกลียดใครเขาไม่ค่อยชอบขี้หน้าเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเราก็สะสมไปเรื่อยใช่ไหมสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยไอตอนแรกๆ ก, ก็โกรธเกลียดก็เออทุกข์ขนาดหนึ่งสมมุติว่าทุกสักหนึ่งส่วนแต่มันไม่เคยปล่อยวางได้นี่มันไม่เคยล้างออกไปได้ เดี๋ยววันหลังเจอหน้าอีกก็สะสมอีกเพิ่มไปอีกหนึ่งก็เป็นสองแล้วก็นี้จริงๆทุกเริ่มเพิ่มขึ้นนะเป็นสองแล้วนะเอาสองนี่ยังไม่เข็ดนะเวลาเกลียดใครเนี่ยมันสบายที่ไหนเล่าคุว่าเวลาเกลียดใครนี่มันมันดีหรือเปล่ามันแบบว่าโอ้มีความสุขเหลือกเกินเวลาเกลียดใครนี่กบเกี่ยวเกี้ยวฟันมันหวานดีมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็เปล่าหรอกจริงๆโกรธเกลียดใครเนี่ยโหทั้งสรีละทั้งร่างกายทั้ง อะไรต่างๆนี่เาผาผลาญอย่างมากเลยเขาเคยคิดนี่เขาเคยคํานวณมานี่ทางวิทยาศาสตร์ว่าโกรธทีเนี่ยโอ้โหสูญเสียพลังงานไปตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่สูญเสียอย่างมากเลยนั่นแหละจนกระทั่งสะสมไอ้ตัวโมหะเนี่ยตัวหลงของตัวเองเนี่ยนะตัวทุกข์เนี่ยมันมากมากมากจนกระทั่งในที่สุดกินไม่ได้แล้วคราวนี้ เกลียดชังหรือว่าไม่ชอบใจยโยนทั้งกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากได้ยินชื่อ <c oughs> คุณศาสตสมถึงขนาดนั้นนะคุณเอาละคราวนี้โอ้โหเริ่มอาการออกชัดเจนแล้วกระวนกระวายหงุดหงิดใช่ไหมหรือว่าโอ้โหได้ยินได้ฟังหรืออะไรไม่ได้เลยคุณคุณชักจะเห็นทุกชักจะเริ่มเห็นทุกของตัวเองมากขึ้นแล้วครับโอ้ยโกรธเกลียดชังอะไรเขามากมายขนาดนี้ มันถึงได้ทรมานตัวเองเป็นการทรมานตัวเองเนี่ยถ้าคนนี้รู้ตัวแล้วทุกมันมากพอจนกระทั่งคนนี้รู้สึกตัวได้คนนั้นก็จะปล่อยวางได้ก็มันคุ้มอะไรอ่ะบางทีเนะี่ยไอ้ไอคนที่เราเกียดชังหรือว่าเราไม่ชอบใจโธ่เอ้ยบางทีเขาไม่รู้เรื่องด้วยเลยนะเขาก็กินนอนสบายของเขาไอเราเองเราโอ้โหแค้นอยู่นั่นนหะ นะคิดอกุศลบางทีเนี่ยโอ้โหมานั่งคิดนะตบซ้ายตบขวาสู้กับเขาโอ้โหบางคนเนี่ยนอนเนี่นะฝันนะโอ้โหสู้กับเขาใหญ่อ ย, อย่างนันอย่างงี้กูมีความสุขตรงไหนยิ่งวันทุกข์จะตายไปหน้าดําข่ําเครียดโอ้โหบางคนเนี่ยนะแบบกดดันเนี่ะเพราะว่ามันมันมันไม่ได้มีความสุขเนี่ยยิ่งมันเป็นทุกข์อะ่ะเอา่าบางคนนี้ก็โอ้โหบางที ตึงเครียดไปหมดเลยทํางานทําการก็บางทีเนี่ยกัดคนไปรอบข้างเอกัดคนไปรอบข้างเลยซึ่งอันเนี้ยถ้าถึงบอกว่าถ้าทุกข์มันถึงจุดแล้วเนี่ยโอ้โหคราวนี้จริงๆเราก็ยังไม่อยากจะรู้หรอกนะแต่มันไม่รู้ไม่ได้ล่ะเพราะถ้าทุกข์มันมากพอเนี่ยก็จะทําให้เราปล่อยวางได้เพียงแต่ว่าคนมีปัญญา ก็จะรู้ทุกได้ไวส่วนคนโง่หรือเขาใช้คบว่าปัญญาซามนะรู้ทุกตัวเองช้ารู้ทุกตัวเองช้าหรือบอกแล้วถ้าย้อนกลับไปข้อที่หนึ่งคือก็โมหะอยู่นั่น้นะ่ไม่รู้ทุกตัวเองไอ้อย่างงั้นย็อีกนานอาจจะชาตินี้ยังไม่ยังไม่รู้ทุกตัวเองด้วยซ้ำไปอาจจะต้องชาติหน้าชาติไหนๆก็ไม่รู้หละ วัอนขยยิ่งชานานเนี่ยก็แสดงว่าโอ้คนนั้นดักดานมากเลยยังมองไม่เห็นทุกตัวเองกินไม่ได้นอนไม่หลับวันวันนึงก็เครียดนะเพราะมัวคิดแต่ไอ้ที่เราไม่สมใจไม่ถูกใจเราโอ้คุณจะไปคิดให้ตัวเองมันทุกข์ทำไมทรมานตัวเองไปทาไมเนี่ยพอ พ, พอเราดูนะถ้าเราคิดว่าเออเรื่องอะไรจะมาทำให้ตัวเราทุกข์อย่างเงี้ย คนเราเนี่ยอยากมีความสุขหรืออยากมีทุกข์ก็อยากมีความสุ ข, อ, อ, ย <c oughs> อ, ยสขอยากมีความสบายทุกคนเนี่ยถ้าเห็นไถ้าทุกข์มันพอมันมากพอจนกระทั่งเราเห็นแล้วไม่มีใครอยากเก็บทุกข์เอาไว้อะแล้วก็ไม่ไม่ไปแบบวิชาทิฏฐินะบอกแล้วไม่ใช่ไปแบบย้อนกลับไปข้อหนึ่งว่าจะมีความสุขคือต้องไปจัดการเขาไม่ใช่ทุกข์อันเนี้ยถ้าถ้าทุกข์มันมากพอและเห็น สัจจะเห็นเป็นทุกข์อริยสัตว์ที่แท้จริงเนี่ยจะจัดการตัวเราก่อนโดยเฉพาะจิตใจของเราที่มันอึดอัดขาดเครื่องไม่ชอบเกลียดชังหรือว่าอะไรพวกเนี้เพราะันพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะใช้ว่าอาให้มีอภัยให้มีเมตตามีอะไรพวกเนี้ยเข้ามาเพื่อที่จะปรับจิตใจเพรันพอคนนั้นเนี่ยเห็นทุกข์ของตัวเองมากๆๆๆๆแล้วเออเราจะโง่ไปทําไมนาะ เราหน้าที่จะเออให้พายไปเหอะยิ่งถ้าศึกษาเรื่องวิบากกรรมรู้เรื่องวิบากกรรมแล้วนะว่าเออไอที่เราทุกข์อยู่อย่างเนี้ก็เพราะวิบากกรรมของเราอะ่ะแม้มโนกรรมแม้ความคิดเนี่ยก็เราไปคิดแต่อกุศลอกุศลอกุศลคุณก็ถึงได้ทุกข์อยู่อย่างนี้ไงจะโลภโกรธหลงอะไรก็แล้วแต่เราคิดแต่อกุศลเราถึงได้ทุกข์ทรมานตัวเอง แต่ถ้าเราคิดเป็นกุศลเราคิดไป็ น, นทางที่ดีใช่ไหมรู้จักเมตตารู้จักให้อภัยเนี่ยคิดเป็ น, นทางกุศลซะเออมันก็เริ่มเบาลงมันเริ่มมันชักจะปล่อยวางได้แล้วกรณีเริ่มจะปล่อยวางได้นะซึ่งอันเนี้ยก็จะทําให้คนนั้นเนี่ยเริ่มเริ่ ม, มชักจะวางได้ไม่อย่างนั้นแล้วไม่มีทางหรอกม า, มายืนยันได้เลยว่าไม่มีทางวางโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยทุกข์ไม่มากพอแล้วก็เกิดจิตแบบ ไม่ได้ต้องเอาชนะเป็นเป็นอะไรอะเป็นศักดิ์ศรีเป็นอัตตามานะระวังเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เจริตแบบโลกโลกมันจะเกิดพวกกิเลสพวกเนี้ยกิเลส ท, ที่แพ้ไม่ได้ใช่ไหมแพ้ถือว่าเสียชื่อแพ้ถือว่าเสียหน้าเพราะฉะนั้นต้องชนะเขาให้ได้จะเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้าตาบใดเนี่ยทุกไม่มากพอนะไอ้มานะตัวเนี้ยมันจะสูง แล้วก็จะโมหะคือหลงผิดคิดว่าเราจะพ้นทุกข์ก็คือต้องชนะเขาให้ได้ซึ่งถ้าอย่างเนี้ยก็จะวางไม่ได้จะวางได้ต่อเมื่อบอกแล้วต้องจัดการเขาให้ได้นะเพราะนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่สองเป็นประเด็นสำคัญสำคัญที่ถ้าใครเนี่ยอยากจะปล่อยวางได้ต้องหัดต้องหัดเข้าใจรู้เรื่องพวกนี้นะส่วนประเด็นที่สาม ที่ทำให้คนระวังไม่ได้ก็คือมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกแล้วคนอื่นผิดบางทีเหว่าแต่คนเลยบางทีหมาเนี่ยเตะมันเออแมวอย่างเงี้ยโอ้โหเตะกระเด็นเลยนะบางครั้งก็เหมือนไม่มีเหตุผลนะแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าสำคัญกว่าเหนือกว่า นะมีอำนาจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะวะใครเล็กกว่านี่เ้วก็แ น, น่มาขวางทางเดินแล้วขวางเท้าผลักเขาให้อะไรอย่างเงี้ยคือคือคื อ, ค, อคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกต้องตัวเองเป็นใหญ่กว่านะเพราะพราะนั้นมีแต่คนอื่นต้องยอมเราถ้าไม่ยอมเราไม่ได้เพราะงั้นคนที่คิดอยู่อย่างเงี้ยวางไม่ลงหรอก คนพวกนี้วางได้ก็คือคนอื่นเขายอมให้ทั้งนั้นนหะคนนี้นถึงจะวางได้แต่วางแบบลวงๆนะอันนี้วางแบบหลอกๆวางแบบไม่จริงเพราะไม่ใช่ตัวเองวางได้เองจริงๆแล้วคนอื่นเขาปล่อยวางให้ได้นะเขายอมให้ได้ต่างหากคนนี้มันถึงลดลงมาได้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเองทำได้แต่เป็นคนอื่นเขาช่วยเอาไว้บางคนเีโโ่ยโหเก๊กนะ ทำเป็นค่านี่แน่ค่านี่ใหญ่ค่านี่เก่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่านี่ฉลาดกว่าค่านี่ถูกต้องบางทีเนะี่ยคนอื่นเขาถูกต้องมากกว่าอีกเขารู้มากกว่าอีกแต่ก็รู้ว่าพูดไปแล้วนี่เดี๋ยวคนนี้ไม่ชอบใจคนนี้เถียงหน้าดูเลยคนนี้ไม่ยอมใครอะไรอย่างี้เพราะนั้นบางทีคนอื่นนี่เขายอมให้คนนี้ถึงสงบได้เย็นได้ แต่อันนี้ไม่ใช่ของจริงเลยอันนี้นี่ของปลอมกัปตันมาก็เคยยกตัวอย่างอยู่บ่อยๆที่มีนางทาสีทดลองเจ้านายอะ่ะที่เจ้านายใครๆก็บอกว่าเจ้านายคนนี้เป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีนางทาสีนี่เป็นแบบนางทาสีนี่แปลว่าแบบหญิงรับใช้แบบเป็นคนรับใช้เป็นทาสรับใช้ทาสรับใช้นี่ไม่ยอมเพราะว่าเขา คิดว่าเนี่ยเจ้านายผู้หญิงของเขาเนี่ยไม่จริงอะ่ะไม่ได้ใจเย็นจริงไม่ไดใจดีจริงเขาก็เลยลองเลยคนนี้ลองลองภูมิเจ้านายว่าจะมีภูมิใจดีกับใจเย็นจริงไหมก็เลยแกล้งตื่นสายวันแรกก็แกล้งตื่นสายวันที่สองยิ่งตื่นสายตื่นสายตอนแรกเจ้านายก็พอทนได้ แต่วันที่สองวันที่สามชักทนไม่ไหวสุดท้ายด่าเลยว่าเลยเสร็จแล้วก็ถึงที่สุดหยิบไม้เคี่ยงหวัวตนางทาสีวัวแตกเลย <c oughs> <c oughs> เออเยแล้วนั่นแ่ะเขาก็บอกกันเนี่ยเห็นไหมเขาก็คราวนี้ไอ้นางทาสีก็เลยโพธนาให้คนรับรู้อันนี้เนี่ยเห็นไหมเจ้านายเขาไม่ใช่ใจดีแล้วก็ใจเย็นจริงหรอกไอ้ที่ใจดีแล้ะใจเย็นจริงอ่ะคนอื่นทําให้หมดอ่ะ คนรอบข้างอ่ะเขาช่วยปัดกวาดเช็ดถูทําอะไรไว้ให้หมดเจ้านายแทบไม่ต้องทําอะไรเลยพูดง่ายว่าแทบไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องมีภาสสะไม่ต้องมีอะไรอ้าวก็ใจเย็นได้สิอย่างนั้นน่ะลองมาเหนื่อยสิเออลองมาโดนด่าบางสิลองมาโดนว่าสิอะไรสิเออถ้าทนได้ถึงจะใจเย็นจริงแต่ถ้าทนไม่ได้อ้าทนไม่ได้จะใจเย็นจริงได้ไงก็ยังไม่เย็นก็ต้องฝึกอีกสิถึงจะเย็นกว่านี้ เพราะอันนี้หนะ้าที่ทําให้คนเราจะวางได้ไหมวางได้เนี่ยก็อยู่ที่บางทีอย่าหลงตัวเองนะอันนี้อย่าหลงว่าเราเนี่ยถูกแล้วนะคนอื่นผิดเพราะว่าถ้ายึดอยู่อย่างนี้นะมันวางไม่ได้หรอกไม่มีทางวางหรือถ้าวางก็วางแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ยุ่งไม่ยุ่งกับเขานะแต่ยึดอยู่ว่าตัวเองเนี่ยถูก ตวเงเนี่ยถูกคือมันวางกายได้เอาเอาต่อให้วางวัติกรมได้ด้วยแต่จริงจริ ง, รงมันยังวางไม่ได้มันก็ยังยึดอยู่ว่าฉันถูกต้องฉันเหนือกว่าแกฉันฉลาดกว่าแกแกโง่กว่าฉันอะไรมันก็ยังยึดอยู่อย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าเมื่อไม่ไม่ต้องไปภาษากับเขาคือคือไม่ยุ่งกับเขาเลยไม่ภาษากับเขาอ่ะมันก็ทนอยู่ได้เอ่มันก็เหมือนกับวางได้ไงอย่างที่บอก แต่ถ้ามีผัสสะขึ้นมาจริงเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ไฟก็ลุก ป, ปึบ ป, ปับปึบปับเขาบอกแล้วว่าเขายังไม่ได้วางจริงอันนี้มันเป็นวางแบบลือศีวางแบบสมถะของลือศีที่เรียกว่ากดขมด่มตัวเองไว้นะก็ยังคิดว่าตัวเองถูกต้องฉันไม่ผิดอะไรหรอกนะแล้วใจนี่โอโ้โหเหตุผลมาเยอะแยะเลยนะนะไอ้นั่นมันผิดอย่างงั้นผิดอย่างงี้ผิดอย่างงน้น ถ้าตาดใดยังคิดอยู่อย่างเงี้ยแก้จิตตัวเองไม่ได้แล้วก็ตาบนั้นก็วางไม่จริงบอกแล้วพร้อมเสมอเลยระเบิดพร้อมที่จะลงได้ตลอดเวลาเพราะนั้นวิธีการอย่างเงี้ยผู้เจ้าท่านก็วิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเขาก็เลยบอกว่าอา้าวก็ลองพยายามมองหามุมที่ดีหรือว่ามุมที่ถูกของคนอื่นเขาบ้างสิว่าเขามีมุมดียังไงบ้างหรือเขามีมุมถูกยังไงบ้าง ถ้าอย่างเงี้ยมันจะเริ่มวางลงได้เพราะเริ่มเห็นว่าเออคนอื่นเขาก็มีมุมดีนะเขาไม่ใช่มีแต่มุมที่เราคิดแต่เขาผิดไงเออเขาก็มีมุมที่ถูกอยู่ด้วยเหมือนกันนะอ่าเนี่ย ม, มันเริ่มไอไอที่เราจะผลักมันก็เริ่มเบาลงเพราะว่าเออเขาก็มีส่วนดีนะ